อปปมาโทจะธรรมีสุเอตัมังคะระมุตตะมันติปีณนะบัตรนี้จะได้แสดงพระธรร ม, มเทศนาในอปปมาทกถาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมท่านสาธิชน ที่มาประชุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้ด้วยตั้งใจจะทำความดีตามแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนจึงได้น้อมนำตนมาที่วัดปปะยุโรองสาวาตตามโอกาสต่างๆเช่นมาในวันสำคัญในทางประพุทธศาสนาวันมาคบูชา วิสาข บ, บูชาอาสาร บ, บูชาและมาฟังธรรมะหรือฟังเทศในวันพระเป็นประจำวันพระแปดคำ่ำวันพระสิบสี่ค่ำวันพระสิบ้าค่ำท่านทั้งหลายก็มาประชุมพร้อมกันณนะที่นี้บางวันก็มีจำนวนมาก บางวันก็น้อยข้อนี้เป็นธรรมดาอย่างวันพระใดตรงกับวันอาทิตย์หรือวันเสาร์นี่คุณฟังจะน้อยเพราะข้าราชการใกล้ๆ ก, กับวัดเขาหยุดเช่นเทศกิจเขาก็หยุดโรงเรียนบริเวณวัดนี้ก็หยุดจำนวนผู้ฟังก็มีน้อยๆ่อย ไม่มากแต่ถ้าหาวันพระใดเนี่ยตรงกับวันพระสิภาคคมภ์และไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งวันพระธิภาคคมภ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะคุณพระพรมบัณฑิตเจ้าวาดวัดประยุรวังสาวาดท่านจะลงมาแสดงธรรมให้ญาติโยมได้ฟังญาติโยมสนใจในการเทศนาของท่าน ก็มาพร้อมกันฟังเทศจนวนมากหน่อยแต่วันนี้หลวงพ่อของเราท่านไม่ได้เทศท่านมานั่งฟังเทศเป็นเพื่อนญาโยมที่มาฟังเทศในวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำถ้าเป็นวันที่ผ้าค่าท่านก็จะขึ้นธรรมะเทศโยมญาติฟังกันทุกครั้งที่ท่านทั้งหลาย ได้ก้าวเข้ามาสู่วัดไปอยุรใงศาวาสท่านจะต้องใช้โอกาสศึกษาเรื่องราวต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านด้วยนอกจากจะศึกษาแล้วต้องพัฒนาตัวของเราทั้งหมดทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ให้มีความสามารถที่จะช่วยวัดช่วยพระาศาสนาได้ด้วยที่ฝากโยงไว้นะยกตัวอย่างถ้าต่อไปคุณโยมย้อยเนี่ย เกิดเป็นหัวหน้าเป็นพิธีกรไม่ไหวแล้วใครจะมาทําหน้าที่แทนท่านทั้งหลายจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นพิธีกรอาราธนาศิล์อาราธนาพระประลิขาราธนาธรรมนําถวายสังฆทานต้องการให้ท่านทั้งหลายได้ฝึกฝนตนเองให้อาราธนาเป็นกันหน่อยหน้าที่ของผู้นําในการอาราธนาศิล์อาราธนาธรรมอ น, นิี้สูงมาก อันนี้สงอย่างไงจะเกิดพบใครชาติใดจะเป็นหัวหน้าข้าหมดจาตโยมหลงชิดอยู่ขนาดนี้ก็นั่งข้างหน้านะธรรมาดาช่านท่านทั้งหลายจะต้องฝึกฝนตนเองเราเป็นชาวพุทธนี่เราจะต้องเข้าใจในาศาสนาพิธีของเราและวก็จะต้องสามารถทำหน้าที่แทนกันได้ตลอดเวลา ขอให้ตั้งใจอย่างนี้อันว่าความตั้งใจนี่เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าบรรษานี้เราจะต้องตั้งใจดีว่าจะทำอะไรให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ความตั้งใจดีและรักษาความตั้งใจเอาไว้นี่แหละตรงกับคำว่าอัปมาทะซึ่งแปลว่าไม่ประมาท อประมาทะท่านแปลว่าไม่ประมาทหมายความว่าตั้งใจทำความดีใดๆก็รักษาความตั้งใจอันนั้นให้ดีรักษาไว้อย่าให้เลิกลงเสียเช่นตั้งใจว่าพรรษาปีพุทธศักราช2560นี้จะทำความดีให้มาก หนึ่งเป็นการเพิ่มพูนความสามารถในการทําความดีให้กับตัวเองสองทำดีให้เป็นบุญป็นกุศลแล้วจะได้น้อมถวายแด่พระบาทส้นเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมมติุขถวายในหลวงของเราด้วยตั้งใจเอาไว้อย่างนี้นะพอตั้งใจแล้วถ้าเราไม่รักษาความตั้งใจเอาไว้ให้ดี ก็อาจจะเลิกล้ความตั้งใจได้ผู้ใดตั้งใจทำดีแล้วรักษาความตั้งใจเอาไว้ให้ดีที่สุดที่เราสามารถรักษาความตั้งใจไว้นันก็เพราะเรามีสติและรึกอยู่เสมอว่าเออเราเคยตั้งใจว่าเข้าพรรษานี้เราจะมาวัดฟังธรรมตลอดพรรษาเราจะมาบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาตลอดพรรษา รักษาความตั้งใจเอาไว้ให้ดีที่เรารักษาความตั้งใจกันไว้ไม่ได้ก็เพราะอะไรเราขาดสติเพราะขาดสติเมื่อไรความตั้งใจก็เสียสิ่งที่ตั้งไว้ก็ล้มไปหมดเรียกว่าเลิกล้มความตั้งใจกลายเป็นความประมาทถ้ายังรักษาความตั้งใจเอาไว้เรื่อยๆเราก็ยังมีความไม่ประมาทอยู่เสมอไปฉะนั้นขอให้ท่านตั้ง ท่านทั้งหลายตั้งใจเอาไว้ดีๆรักษาความตั้งใจเอาไว้ด้วยความตั้งใจในการประพฤติธรรมนั้นก็หมายความว่าตั้งใจที่จะละเว้นความชั่วประพฤติความดีเพิ่มพูนบารมีต่างๆให้กับชีวิตนี่คือรักษาความตั้งใจดีเอาไว้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอปมาโทจะทำเมตสุ เปลววัมไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายคําว่าธรรมทั้งหลายนั้นคืออะไรคําว่าธรรมทั้งหลายนี้มีความหมายกว้างขวางมากถ้าหากว่าเรารักษาความตั้งใจในการรักษาสินในการรักษาสินนั้นก็ชื่อว่าเป็นสินธรรมถ้ า, ากว่าเราตั้งใจจะสวดมนต์ก่อนนอนบําเพ็ญสมาธิอยู่เสมอ ก็ชื่อว่าเหล่านั้นตั้งใจรักษาสมาธิธรรมถ้าว่าเราตั้งใจจะมาฟังธรรมอยู่เสมอความตั้งใจอันนั้นก็ชื่อว่าตั้งใจดีในการเจริญภาวนาธรรมทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาก็ชื่อว่าธรรมทั้งหลายเหมือนกันแล้วเราก็มีความตั้งใจว่าชีวิตของเรานี้อยู่ในโลกเพียงไม่นาน าการผ่านไปวันคืนผ่านไปไวัยของเราก็มากขึ้นไม่ช้าก็าจากโรคนี้ไปเราก็ต้องตั้งใจว่าขณะที่มีลมหายใจอยู่นี้จะทำความดีในทุกๆทางเช่นจะรักษาศีลจะให้ทานจะเจริญภาวนาเป็นต้นหรือให้บำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนา ไม่ละทิ้งการทำอย่างนี้สักอย่างเดียวทิ้งไม่ได้ทานก็าตามสินก็าตามภาวนาก็าตามเป็นวิธีทาบุญที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เราก็ตั้งใจบำเพ็ญให้ดีที่สุดเช่นตั้งใจรักษาสินก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่คอรับชั่นทรัพย์สินต้องบัตรของราชของหลวง ไม่ปล่อยใจให้ตกเป็นทาสอำนาจของราคาประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดมดเทศไม่พูดเพอเจอร์ไม่พูดโอเซียดไม่พูดคำหยากรักษาจิตใจเราอเราจะให้เป็นคนใจร้อนทำจิตใจให้มีความเยือกเย็นให้มีความสุขุมรอบครอบละพยศหมดความอาหังตาของตัวเอง ดูบุคคลอื่นที่เขาดีๆเนี่ยแล้วก็นํามาเป็นตัวอย่างสอนใจประพฤติดีอย่างเขาบ้างทาดีอย่างเขาบ้างจางนี้ก็คือเป็นความไม่ประมาทเัมืนกันตั้งใจจะให้เป็นคนดีอย่างนี้แล้วเราก็รักษาความตั้งใจไว้ยกตัวอย่างเช่นการสมาทานศีลรักษาศีลแล้วก็ต้องตั้งใจเอาให้ดีอย่างบางคนนั้น จิตใจโหเที่ยมอำมจิตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหมือนสังคมในในต่างจังหวัดเวลาจะบวชหน้าทีเนี่ยต้องล้มวัวล้มควายสมัยก่อนมีพระรูปหนึ่งท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอท่านก็บอกว่าถ้าบวชลูกไครหลานไครฆ่าวัวฆ่าควายท่านไม่เป็นนั่งอุปชาให้ท่านไม่ยอม เพราะท่านถือว่าผิดหลักทางพระพุทธศาสนาการที่เราไปฆ่าสัตว์แล้วออกมาทำบุญผลแห่งบุญนั้นไม่ก่อให้เกิดความสุขความเจริญแต่ประการใดนั้นท่านจึงสั่งไว้ว่าถ้าผู้ใดก็ตามจะริมบ์ท่านไปนั่งอุปชาและฆ่าสัตว์ท่านไม่ยอมท่านก็บอกว่าถ้าริมบ์อาตมาไปจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะและจะไปนั่งเป็นผู้อุปชาบวชลูกบวชหลานให้ แต่ก็ยังมีหลายจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็ยังทำกันอยู่ยิ่งเราได้เห็น ข, านข่าวคนฆ่าสัตว์ชีวิตคนฆ่ากันจิตใจของคนก็โหดเทียมมากขึ้นถามว่าทำไมจึงโหดเทียมเพราะไปซึมซับรับเอาเรื่องโหดโหดเข้ามาเรื่องเมตตากรุณาก็็ีน้อยลงพอคนในสังคมเหล่านี้ขาดความเมตตาบ้านเมืองของเราจะอยู่กันได้อย่างไง สังคมไร้เมตตาไม่น่าอยู่สังคมปากหอยปูไม่อบพุ่นสังคมปากเกี่ยวกาเสนทารุนสังคมเนรคุณวุ่นวายใจเกิดความวุ่นวายใจก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไร้เมตตาปลาณีจ้องที่จะประหัตประหารกันเน้นที่ผลประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่เน้นที่จิตใจว่าจะเลวลงหรือไม่ก็ก่อให้เกิดปัญหาการท่ากันเป็นการผิดศีลพระพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าไม่ขอผลทำให้คนผู้นั้นมีความสุขความกเกรเินเลยฉะนั้นเกิดมาเป็นคนไม่ควรฆ่าสัตว์พระพระพุทธเจ้าตัดกับไทยตัดกับพระภิกษุคณะหนึ่งคือว่ามีพระคณะหนึ่งนี้ ออกไปปินธบัตรตอนเช้าก็ไปเห็นคนก็ฆ่าสัตว์กันที่ฆ่าสัตว์นั้นต้องการจะเอามาทำบุญทำบุญให้ใครทำบุญให้พ่อให้แม่ที่ตายไปแล้วก็ไปฆ่าสัตว์เช่นฆ่าแพะฆ่าวัวฆ่าควายเอาเนื้อมาปรุงเป็นอาหารแล้วก็ทำการบูชาเทวดาบ้างทำาร เลี้ยงดูญาติพี่น้องบ้างพ้าเหล่านั้นพอกลับมาถึงวัดก็มากราบทูลอบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าข้าพระองค์ทั้งหลายนี่เดินทางไปในหมู่บ้านเห็นเขาฆ่าสัตว์จังเพื่อจะเอาเนื้อไปปรุงอาหารทาบุญอุทิศให้กับหมู่ญาติของตนที่ล่วงลับหับทีพไปแล้วการฆ่าสัตว์ทาบุญนี้นาโทคราบมาให้นาความสุข ความเจริญมาให้จริงหรือพระพุทธเจ้าข้านี่พระกระทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตัดตอบว่าดูกรรพิสูจน์ทั้งหลายการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ก่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ใดเลยมีแต่จะก่อให้เกิดทุกข์เกิดโทษที่ยาวนานแล้วพระองค์ก็ได้ตดรัสเล่าถึงเรื่องในอดีตเรื่องหนึ่ง เพราะในอดีตการที่ผ่านมานี่มีอาจารย์ที่สาปามโมกเปรยว่าอาจารย์ใหญ่ที่เป็นเจ้าสำนักเปิดสำนักแล้วก็รับลูกศิษย์เข้ามาศึกษาและประสอนวิชาการต่างๆให้กับศิษย์พรปรากฏแกเป็นผู้มีลูกศิษย์ลุกหามากเป็นผู้มีชื่อเสียงมากพอถึงวันเกิดก็ทำบุญใหญ่ การทำบุญนั้นก็ต้องการที่จะอุทิศผลบุญไปให้เดบุรพาอาจารย์คือภูบาอาจารย์ของท่านตลอดถึงผู้มีพระคุณต่อชีวิตของท่านทีนี้ในการทำบุญนั้นก็ต้องฆ่าแพะฆ่าแพะฆ่าแพะบูชายันเพีงตัวเดียวอาจารย์ทิสาปา ม, มกจับแพะมาแล้วก็ฆ่า จากการที่แกยฆ่าแพะเพ่งครั้งนั้นครั้งเดียวทำให้อาจารย์ทิสาปามโมนตั้งเกิดเป็นแพะแล้วก็ถูกฆ่าอีก499ชาตินี่พระพุทธเจ้าจัดเล่าถำนองนี้คืออาจารย์ทิสาปามโมผู้นี้แกก็สั่งให้ลูกศิษย์เนี่ยไปจับแพะมา เคยจะทําการท่าบูชายันบูชายันก็เป็นพิธีทําบุญเนี่ยแบบปลาโมกเขาในขณะที่กําลังจับแทะนะไปอาบน้ําที่แม่น้ําแทะตัวนั้นมันก็หัวเราะปังร้องไห้ปังก็ทําให้รู้สิษย์ของอาจารย์ทิสาปลามโมกสงสัยเพราะเอ๊ะไอ้เจ้านี่ทําไมบางทีก็หัวเราะทําไมบางทีก็ร้องไห้ก็เลยถามว่า เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยทำไมจึงหัวเราะบังร้องไห้บังแพะตัวนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะให้บอกจะต้องไปถามต่อหน้าอาจารย์ท่สาปาโมกแล้วเราจะบอกต่อหน้าอาจารย์โบภคุณเนี่ยลูกศิ์ก็พาแพะตัวนั้นไปยืนตรงหน้าอาจารย์ท่สาปาโมกอาจารย์ท่สาปาโมกก็ถามว่าไหน ที่ร้องไห้เนะี่ยร้องไห้เพราะอะไรแท้ก็บอกว่าที่ร้องไห้ก็สงสารท่านว่าตัวท่านน่ะฆ่าเราเนี่ยท่านก็จะเป็นเช่นกับเราเน่ะเป็นเหมือนข้าพเจ้าเนี่จะต้องถูกฆ่าอีกประมาณเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชาติแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ห้าร้อยเอาแล้วที่หัวเราะทําไมหัวเราะเพเพราะดีใจว่าจะได้พ้นเวทพ้กรรมในวันนี้ หลังจากที่ฆ่าเขามาแล้วตอนนี้ก็เกิดมาเป็นแพะถูกฆ่าวันนี้เราจะเป็นวันสุดท้ายจะได้พ้นเวทพ้นกรรมกันที่ทีพอรู้ทำนองนี้ก็เลยหัวเราะดีใจว่าเราจะได้พ้นทุกที่ทีท่านอาจารย์ทิสาปามโมภพฟังคำพูดของแพะที่เล่าเรื่องทั้งหมดก็สลดหัวใจ แล้วในที่สุดกระดิตัดสินใจไม่ทำบาปการที่ไม่ทำบาปเพราะได้ฟังเรื่องอย่างนี้เป็นการงดเป็นการไม่กระทำบาปขับพันทันทีเรียกันว่าสัมปติวิรัตเรียกกันว่าหยุดการกระทำบาปแบบกระทันหันเพราะได้ฟังเรื่องแล้วรู้สึกว่ามันเสียวมันเกิดความหวัดหวันมันเกิดความหวัดกลัวตกผลของบาป เสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรือท้านั้นเราก็จะไม่ฆ่าเจ้าเลยนะจะปล่อยให้เจ้าเนี่ยไปใช้ชีวิตเหมือนอย่างแพะทั่วไปแพะตนนั้นมันว่าอย่างไรนะมันบอกว่าท่านจะปล่อยฆ่าหรือจะเลี้ยงดูค่าดียังไงก็าตามวันนี้ก็เป็นวันตายของค่าแล้วเพราะว่าเป็นวันสิ้นสุดถึงเวรกรรมที่ทาไว้แพะแกก็ว่าอย่างนั้น อาจารย์ก็ต้องการจะดูแลรักษาแพะตัวนี้เป็นอย่างดีให้บรรดาลูกศิษย์เนี่ยคอยตามติดไปทุกที่แพะตัวนี้จะเดินไปทางไหนก็มีลูกศิดตามไปด้วยแล้วแพะตัวนี้มก็เดินไปที่เชิงเขาวันนั้นเปรอือนฟ้าครึ้มๆฝนทาท่าจะตกพอดีในขณะที่มันกำลังเนี่ยชะเงอ้อจะอ้าปากและเล็มหญ้าที่เชิงเขานั่นเอง ฟ้าผ่าเปลี่ยงลงถูกแผ่นหินแผ่นหนึ่งทำให้เกิดสะเก็ดหินคมมากคล้ายๆกับขวานใหญ่ๆแล้วก็ปลิวมาตัดพอแพะขาดทันทีเป็นว่าแพะตัวนี้สิ้นเวรสิ้นกรรมที่ตัวเองเคยทำมาในอดีตเคยท่าแพะมาตัวเดียวเมื่อครั้งที่ตัวเองนะเป็นคนพ้นแห่งกรรมที่ทำไว้ ทำให้แพะตัวนี้ก็มาเกิดเป็นแพะอีกทำให้คนผู้นั้นมาเกิดเป็นแพะแล้วเสร็จแล้ว น, นก็ต้องมาใช้นี่กรรมของตัวเองถึงห้าร้อยชาติดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนเราี้รักษาสินในพรรษาญาติโยมตั้งใจรักษาสินแล้วรักษาความตั้งใจเอาไว้ดีตรงนี้ท่านเรียกว่าไม่ประมาท ตั้งใจจะทําความดีใดๆแล้วก็ไม่ละทิ้งท่านเรียกกันว่าไม่ประมาทในการทําความดีท่านทั้งหลายตั้งใจจะมาฟังธรรมในวันพระรักษาความตั้งใจเอาไว้ให้ดีไม่เลิกล้มความตั้งใจอย่างนี้ก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเหมือนกันและโดยเฉพาะในเทศกาลเทวปรญรญาที่วัดอาตมะนี่ มีกิจกรรมการกูศสนดีๆหลายอย่างเลยทีเดียวอยากจะบอกให้โยมฟังนะเช่นในวันนี้ภาคค่ำเวลาประมาณสิบเจ็ดนิาดีกาจะมีพระพิสุสามาเนนเป็นจำนวนร้อยเลยนะมากๆตอนเช้านี้อาจจะมีน้อยเพราะว่าพระมีงานมากญาติโยมนิมนตไปกิจนิมนต์ตามบ้านต่างๆหลายหลายแห่งวันนี้แล้วก็มีพิธีอุปสมบทพระในพระโบสถ์ ในวัดนี้เป็นที่รู้จักของญาติโยมเป็นที่ศรัทธาของญาติโยมญาติโยมก็มานิมนต์ท่านไปแต่ว่าในภาคค่าเนี่ยพระจะมาร่วมกันทั้งพระในวัดและพระนอกวัดพระต่างจังหวัดในตอนนี้สมัครมาแล้วประมาณ100ร้อยกว่ารูปแต่ในวันพระหน้านู้นพระจะมาเต็มที่ต้องอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองร้อยถึงสามร้อยกว่ารูปขนาดนี้ทุกปีน่ะ พระจะมามากท่านทั้งหลายต้องการจะเห็นพระที่คลองผ้ากาสวพัดเรืองอลามเนี่ยเดินอยู่ตามวัดที่ยมต้องมาตอนเยินแล้วภาคข้ามวันนี้อาตมาและคณ ะ, ะก็เป็นเจ้าภาพจัดน้ำปลาณถวายพระทั้งหมดด้วยถ้าหาว่าท่านทั้งหลายไม่มีภารกิจติดพันก็ช่วยกันประเคนพระจะได้บุญกุศลอีกพระสงฆ์สมณีนท่านมาทำไม ท่านมาศึกษาวิชาการเทศนาที่วัดดีการเทศนานั้นเป็นวิชาที่สาคัญของพระนักเผยแผ่ที่จะช่วยกันรักษาภรษาศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรู้เสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงเผยแผ่เลยนะพอมีผู้สดับรับฟังพระธรรมเทศนามีความรู้มีความเข้าใจแล้วพระองค์ก็ตรัสอีกว่า ขอให้พวกเธอทั้งหลายนี่จงจาริกไปตามที่ต่างๆไปช่วยกันเผยแผ่ศาสนานะที่ว่าเผยแผ่ศาสนาคือเผยแผ่อะไรเผยแผ่คําสอนที่สําคัญรวมเรียกว่าพรหมจรรย์คือสินสมาธิปัญญานี่แหละเรื่องศินสมาธิปัญญานี่เอาไปสอนที่ไหนก็ตามถ้าบุคคลผู้นั้นไม่มีกนะิเลสหนาปัญญายา ก, กึงเกินไปจะเข้าใจทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรัลล่งเข้าใจทั้งหมดท่านทั้งหลายจะได้ยินข่าวว่าในช่วงนี้ฝรัลล่งนี่สนใจพุทธศาสนามากแค่ไหยที่เดินทางมาประเทศไทยมาปฏิบัติธรรมตามสำนักต่างๆก็มากเช่นจังหวัดอุบลราชธานีนี่มาปฏิบัติที่วัดป่านาน า, น า, นานชาติเป็นร้อยเลยนะ แ, แม้ฝรัลล่งบางคนเน่เข้ามาบวชในภาษาศาสนานี่บวชอยู่นาน อย่างเช่นพระจูเรียตอี่านี้ซึ่งเป็นชาวแคนาดาเดี๋ยวนี้อยู่ที่แม่ห้องสอนที่อำเภอศกเมยใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นอยู่เพียงรูปเดียวนยอยู่เป็นเพื่อนชาวบ้านมีคนไปถามว่าทําไมท่านไม่กลับแคนาดาเพราะที่นี่มันไม่จเจริญเท่ากับประเทศแคนาดานี่เค้กบอกว่ากลับไปที่แคนาดานี้มีแต่เรื่องยุ่งใจ อยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้สบายใจดีสงบมีความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านพอมีญาติโยมไปถวายเงินท่านต่อาเงินไปซื้อสังกสีไปมุงหนังคาให้ชาวบ้านมีญาติโยมเอาขอนมปังไปถวายท่านก็ไปแจกชาวบ้านท่านมีความสุขดีท่านบอกว่าที่เนี้ยคือบ้านเกิดของท่านฉัว่ า, วา ง, งั้นเพราะก็มีความสุขเนื่องจากว่าคนที่นั่นมีสินมีธรรม ที่ใดก็ตามมีการรักษาศีลมีการบําเพ็ญสมาธิและเจริญภาวนาณที่นั้นชื่อว่ามีพระพุทธศาสนาอยู่แล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตัดสอนมากที่สุดก็สามเรื่องนี้แหละเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาซึ่งมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าพระพุรานุศาสนีพระพุทธเจ้าตัดสอนไว้มากนั้นในพรรษานี้ขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลาย มาฟังธรรมที่วัดปยุรวงศาวาทอย่าให้ขาดกันนะเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี่เป็นบุญกุศลชั้นสูงโยมอย่าให้ขาดนะอันบุญธรรมอันบุญกรรมทําไว้อย่าให้ขาดคนฉล า, าดรู้ทางสร้างกุศลทั้งทานศีลภาวนาสาธุชนอย่าให้จนอย่างไรตั้งใจตรงทํำบ่อยๆค่อยพุ่นกับบุญนั้น ทุกคืนวันทำไว้อย่าให้หลงยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มภูนบุญทานยิ่งมั่นคงบุญยิ่งส่งเสริมให้ได้สุกเอยท่านว่าไว้อย่างนี้พอยมทราบอย่างนี้ตั้งใจเลยวันก่อนๆยังไม่ได้ฟังเทศเรื่องนี้ความตั้งใจอาจจะไม่เข้มขน้นแต่วันนี้ยมต้องเพิ่มนะเพิ่มความเข้มขน้นแล้วรักษาความตั้งใจเอาไว้ดี ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทนั้นเป็นทางไม่ตายหมายความว่าอะไรเป็นทางแห่งความเจริญเป็นทางแห่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าตรงกันข้ามกับความประมาทจะเป็นทางแห่งความตายก็แปลว่าเป็นทางนำเราไปสู่ความเสื่อมเสียความทุกข์ยากความลาบากต่าง เสียชื่อเสียงเสียสุขภาพร่างกายเหมือนคนตั้งอยู่ในความประมาทจะไปดื่มน้ำเมาทำให้สุขภาพเสียเสียเงินเสียทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อการทะเลาะวิวาดปัญหาต่างๆมาสารพัดเพราะความประมาทตรงกันข้ามกับความไม่ประมาทถ้าเรารักษาความตั้งใจทําความดีเอาไว้ให้เต็มที่แล้ว ก็จะประสบมงคลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเอตัมมังตรมุตตั ม, มังก็แปลว่าเป็นเหตุให้เกิดความเจริญให้เกิดความก้าวหน้าที่ว่าเจริญนั่นก็คื อ, คอทําให้ใจเจริญจิตใจไม่คิดใฝ่ต่ําแต่คิดไปในทางที่ดีตลอดก้าวหน้าคืออะไรเมื่อจิตใจเจริญแล้วจิตใจมันก็ชักนําทําให้เรานี้พูดแต่เรื่องดีๆทําแต่เรื่องดีดๆก็มีผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ดังที่ชี้แจงแสดงมารัตนัตยาณุภาเวนะขอเดชะพระพุทธรัตนกําจัดทุกข์เจริญสุขสิริสักเป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตนกําจัดผ่านใด้ไปสารพุดพองพ้นผอไผ่ขอเดชะพระสังขรัตนกรรจัดโรคให้เสื่อมโศกสึกชนจนเกินไผ่ขอเดชะพระตนณไทร ขอให้ท่านทั้งหลายเจริญวัยเจริญสีทวีคูณประสงค์สิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จ ด, ดังที่ประสงค์จงทุกประการเทศนาบรรหารในอั ป, ปมาทกถาดังชี้แจงสแสดงมาพอสมสมัยได้เวลาจึงขอสมุิยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประรัชนี